ขอความเจริญในธรรมจุมีได้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ร่มประบัติญาณได้นำเสนอสามโพชงคือองค์ธรรมเครื่องนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้สัจจ ร, รูธรรมเจ็ดประการสืบต่อกันมาโดยดําดับกละมองในกระแสของโพชฌงอย่างที่เคยพูดไว้แล้วว่า อุปนธรรมส่วนเหตุทั้งหลายนั้นในแง่ของความเป็นจริงแล้วก็คืออริมักเมีองค์แปดประการดังนั้นเราจึงพบการสรุปธรรมะคำสอนในทางพระพุทธศาสนาลงในอริมักเมีองค์แปดประการบ้างลงในการไม่ทำบาปทั้งปวงการนำกุศลให้สมบูรณ์การนำจิตให้ของแพร่บ้างที่ส่วนใหญ่แล้วก็สรุปลงที่ใตสิกขาคือศีลสมาธิปัญญา แต่ก็ความไม่ประมาททั้งหมดนั้นก็เป็นเรื่องของอริมักยมแปดประการทั้งหมดถรามองย้อนกลับไปก่อนที่จะเสด็จบ่ัการรับพฏิภานมีพระพุทธองค์รับดูสองช่วงช่วงหนึ่งก็คือที่รับสั่งแก่สุภัททะปริภาชกซึ่งมากราบทูลถามถึงพระญยบุคคลในาศาสนาอื่น บ่มีอยู่หรือไม่พระเจ้าจรับสั่งสรุปในช่วงสุดท้ายว่าในธรรมิในัยใดก็ตามที่มีอริมักิองคแปประการอยู่ในธรรมิในไย น, นั้นก็จะมีพระอริยบุคคลแต่ว่าตั้งแต่พระองค์ได้เสด็จออกคอโหวมาจนถึงห้าสิบเอ็ดปัญญานี้ แต่ยังไม่พบว่าในธรรมีไหนใดมีอริมักเปงแปดประการควาสัสมัญธรรมที่ปฏิบัติไประดับเป็นพระญาบุคคลจึงไม่มีในธรรมินัยอื่นแล้วก็สรุปไปในตอนสุดท้ายว่าจาบใดอริมักเปงแปดประการนังมีอยู่การศึกษาการปฏิบัติชอบตามอริมักเปงแปดประการนังมีอยู่ จากนั้นโลกจะไม่ว่างจากพระยาบุคคลทั้งหลายแล้วก็มาสรุปไว้ในตอนสุดท้ายคือก่อนจะดับขันดับิปรีภานว่าคือรับสั่งครั้งสุดท้ายจริงๆนะครว่าดูก่อนพิกพุทั้งหลายเราก็เตือนเธอทั้งหลายทราบไว้สังขารทั้งหลา ย, าลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา เธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมก็สแสดงว่าสรุปรวมลงที่ความไม่ประมาทก็ได้สรุปรวมลงที่อริมักเป็นแปดประการก็ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันวันเมื่อเรามองพจชงทั้งเจ็ดประการผ่านเข้าไปที่อริมักก็จะเห็นว่า สติสำโพชงก็คือสติปัฏฐานหนัสืหรือสมาสติโดยอาศัยสติสัมมญญญาจารย์ด้วความเพียรเป็นเครื่องมือในการระลึกรู้ถึงกายเวทนาจิตธรรมให้จิตสงบอยู่กับกายกับเวทนากับจิตกับธรรมในช่วงแรกแล้วไปใช้ปัญญาพิจารณากายเวทนาจิตธรรมแยกเป็นส่วนๆออกมา ลำดับของวิปัสสนากรรมฐานธรรมวิจยะสำโคดชงองค์ธรรมเครื่องนําผู้ประพฤติเปิดบลัดได้จัดสรุปธรรมเมื่อกล่าวโดยสรุปก็คือสมาธิทิและสมาสังกัปปะแต่ก็ที่น่าสังเกตว่าสมาธิทิฏเป็นเรื่องของความเห็นสมาสังกัปปะเป็นเรื่องของความคิดเห็นตามที่คิดไล้คิดตามที่เห็น แต่ข้อที่แสดงเป็นความเห็นนั้นเป็นสมาธิสามสองช่วงนะสองระดับระดับหนึ่งเป็นโลกิยาสมาธิเป็นบรรดาเห็นชอบในกฎแห่งกรรมในกฎของใจรักในเหตุในผลแล้วก็ในเรื่องที่ใช้ปัญญา พ, พ, พิจารณาอยู่สม่ำเสมอ เรียกว่าปั จ, จเวกขณะสมาธิและตรงนี้ที่จริงก็ไม่ใช่ธรรมดาเมื่อปฏิบัติไปแล้วก็ถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็ะจะเกิดปัญญารู้เห็นในอวิชชาทั้งสี่ประการอนสมาธิทในองค์มรรคจริงจึงเน้นที่เกิดในนาเดียชาทั้งสี่ประการ แล้วก็จะไปทำลายตัววิชาคือความไม่รู้ออกไปแต่ข้อที่น่าสังเกตอีกประการหนึ่งก็คือว่าเวลาทรงแสดงอวิชานั้นแสดงไว้แปคือความไม่เห็นไม่รู้ในอริยสัจสี่ไม่รู้ในอดีตอนาคตไม่รู้ทางอดีตอนาคตและไม่รู้ในกฎของปฏิจจการหรือกฎของปฏิจจสมุปบาท แต่ประตอนสมาทิฏฐิเขามีความสมบูรณ์นั้นเห็นเพียงอริยสัจอย่างเดียวก็เห็นหมดแล้วเพราะว่าในแง่ของความเป็นจริงเขาก็ต่อนเนื่องกันอดีตอนาคตปัจจุบันนั้นเป็นเรื่องของการเวลาที่มีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นตามสมควรแก่ขณะนั้นๆ และสิ่งเหล่านั้นก็ไม่อื่นไปจากอาเดียสัตว์ทั้งสี่ประการเช่ น, นในขณะที่เราหายใจเข้าออกอยู่เนี่ยเรามองดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกันกนเราในด้านความคิดก็ดีในด้านทางกายก็ดีแล้วก็เป็นกระบวนการของอาเดียสัตว์เพราะอดีตอนาคตปัจจุบันมันแตกต่างกันที่ความเป็นการในอดีตการในอนาคตการในปัจจุบัน แต่ว่าสิ่งที่เกิดในการทั้งสามนั้นก็คือเรื่องของอริลสัตและก็คือเรื่องของปฏิจจสมุปบาทเพรอริลสัตกับปฏิจจปฏิจจสมุปบาทก็เป็นอันเดียวกันแต่พอมาถึงความดัมเบนั้นเป็นการมดรัมเไปตามหลักของอริมักองแปดประการคือดัมเบในการที่จะออกจากกรรม หมายความว่าเป็นการลดกิเลสได้จังไปคลายไปบรรเทาไปออกไปจากจิตจะนำกายนำจิตออกไปจากกิเลสกามและจากวัตุกามทั้งหลายดําบิในการไม่พยาบาทคือจองร่างจองพ่านเบียดเบียนปัทุสายกันซึ่งเป็นอาการของความดําบิ ก็เป็นมิจฉาสังกปะอยู่ความด âm ฤตในการพยาบาทนะเป็นมิจฉาสังกปะอยู่เมื่อด âm ิตในการไม่พยาบาทแล้วก็ไม่มีการประทุษร้ายไม่คิดที่จะประทุษร้ายไม่คิดที่จะขาดพยาบาทไม่คิดที่จะเบียดเบียนกันเปลีนอวิชิงสาสังกปะคือมองกันด้วยความเมตตากรุณามองกันด้วยความคลายกําหนัต ดํมเที่จะให้ใคลายความกาหนัดคลายความขัดเคืองคลายความเบียดเบียนออกไปจากใจอาการเหล่านั้นเป็นอาการของสมุทยัยแต่เมื่อคลายไปก็เป็นอาการของอริยมรรคก็ตกลงว่าหมุนวนอยู่ในอริยมรรคนั่นเองในขณะที่ดํมเในการออกจากกรามในการไม่พยาบาทในการไม่เบียดเบียนนั้น อีกด้านหนึ่งหรือด้านตรงกันข้ามก็เป็นความพยาบาทเป็นการหมกมุ่นในกามเป็นการพยาบามเป็นการเบียดเบียนคือคิดแต่ทํานองตรงกันข้ามและเมื่อความคิดในแนวนี้เกิดขึ้นก็จะทําหน้าที่สลายความหมกมุ่นในทางเพศความม้าคาัพยาบาทแล้วก็ความเบียดเบียนกัน ตรงลงว่าธรรมะวิจัยยะคือการวิจัยธรรมเป็นเรื่องของความคิดเห็นที่ประสานสอดคล้องกันเห็นอย่างไรก็คิดอย่างนั้นคิดอย่างไรก็เห็นอย่างนั้นแต่จุดแตกต่างจากที่เป็นสามัญชนก็คือว่าความรู้เห็นระดับนั้นมันลดกิเลสลงไป ลดความรุนแรงด้านกา ร, รมราคานลงไปลดความรุนแรงด้านาค่าพยาบาทลงไปลดความรุนแรงในเรื่องการเบียดเบียนลงไปใจก็เข้าถึงกระบวนการก็เหตุผลทุกเป็นผลนิโรธเป็นผลสมุทัยเป็นเหตุมักเป็นเหตุนิโรธไม่เป็นผลที่ทุกคนต้องการ แต่สัมผัสแต่ยากเพราะว่าใจมันไปถูกครอบคลุมด้วยสมุทยัยซึ่งมันให้ผลเป็นทุกข์แนที่จะให้ผลเป็นนิโรธมันให้ผลเป็นทุกข์เพองเราสังเกตว่าเป็นความขัดแย้งภายในใจของเราเองเราอยากได้ผลน อ, อย่างหนึ่งแต่ว่าเราสร้างเหตุอย่างหนึ่งเร า, ต, าต้องการปละกอแต่ว่าปลูกมะพราะ้าวมันก็ไม่ได้บปละกอ วิยาสัมโพชงในแง่ของความจริงก็คือสัมมาวายมะคือความพยายามในทางที่ชอบเป็นหลักการสำคัญที่ส่งแสดงส่งแสดงถึงลักษณะของสัมมาวายมะเอาไว้ว่าให้บุคลบคลปลูกฝังความพอใจในการป้องกันบาปในการละ บ, บาปในการเจริญกุศลแล้วก็ในการละ ก, กุศล จานั้นก็ใช้ความพยายามในการป้องกันบาปละบาปจเจริญกุศลและรักษากุศลป้องกันได้ระดับใดละได้ระดับใดเจริญได้ระดับใดรักษาไว้ได้ระดับใดก็กุ้งครองจิตที่อยู่ในจุดนั้นมันก็เหมือนกับการรกทับจับศึกที่รุกครองพื้นที่ไว้ได้มากเท่าไหร่ ก็ยึดกรุงพื้นที่ตรงนั้นเอาไว้แล้วก็ลุกคืบคลานต่อไปเป็นการประพฤติปฏิบัติที่มีความต่อเนื่องกันไปจนกว่าจะพิชิตข้่าศึกได้ในที่สุดวันแนวการความเพียรพยายามจึงเป็นไปตั้งทางกายแล้วก็เป็นไปทั้งทางจิตก็เน้นที่ทางจิตนี่เป็นเรื่องใหญ่แต่เราจะลืมาการระบาปบาเพ็ญบุญการทำิตได้ป่องแพร่ก็ดี สีนสมาธิปัญญาก็ดีนั้นเป็นความต่อเนื่องของกายวาจากใจที่ประสานสอดคล้องกันตัวตัวการต้องกันก็อยู่ที่ใจคือใจสำรวมระวังใจงดเว้นใจไม่ร่วงละเมิดก็เป็นสีใจที่สงบจากบาปจากอกุศลก็เป็นธรรมะเป็นสมาธิใจที่รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงจนถ่ายทอนตัณหามานาทิฏฐิออกไปได้ ก็เป็นเรื่องของปัญญาเพราะฉะนั้นแต่ละคราวที่เราลงมือ ป, ประพฤติปฏิบัติก็อยู่ในคันลองของศีลสมาธิปัญญาทีนี้พกปิติความอืบอิ่มใจที่ปรากฏออกมาในลักษณะต่างๆปิติเป็นขณะปิติเป็นผักพักปิติโลดโผลปิติที่แผ่ซ่านออกไปทั่วร่างกาย ปิติเป็นขณะขณะก็เป็นอาการเป็นที่จริงมันเป็นองฌานนะปิติเป็นองฌานเพียงแต่ว่าในผู้ชมเขาก็ประณี่กว่าก็เป็นอาการขององ์ฌานก็เป็นเรื่องของจิตสิกขาคือเป็นเรื่องของสมาธิประสศที่นั้นเป็นอาการต่อเนื่องของปิติ คือตึงเป็นอาการฟูขึ้นของจิตคือจิตมันฟูขึ้นไปแต่ถึงจุดหนึ่งก็สงบลงมันไม่ถึงกับตั้งมั่นเป็นสมาธิแต่มันเฉียดใกล้สมาธิเข้าไปคือกายสงบประจ่าสงบใจสงบเป็นความสงบระดับสีระดับจิตถึงเป็นอาการของสมาธิศีลสีนสิกขากับจิตสิกขา แล้วในสุดก็เป็นสมาธิจนเป็นฌานในชั้นต่างๆในความเป็นฌานเหล่านั้นเองคือพวกนี้ทั้งหมดเป็นสมาสมาธิเมื่อเป็นสมาสมาธิเขาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็มีองค์หลักอยู่ห้าข้อด้วยกันคือวิตกความตรึกวิจารความตรองปิติความอิ่มใจสุขความสบายกายสบายใจ แล้วก็เอกะกะตาคือจิตที่เข้าถึงอารมณ์เดียวคือเป็นสมาธิองค์ชาหลงเนี่ยแต่ละข้อจะทาหน้าที่สงบปลกนิวรซึ่งก็เป็นอาการของสมุทยัยเรื อ, อาการเขาโลกปลดหลงก็คือการได้นาเป็นลักษณะของการประกบหรือสยบหรือกดไว้คือไม่ใช่ถึงกับบรรลุมรรคผล แต่ว่าจิตมันประนิตขึ้นมันดีขึ้นก็ไปสยบพวกกิเลสเหล่านั้นเอาไว้โดยวิปปุกทำหน้าที่สงบทีนมิธาคือความง่งเหงาหาวนอนซึ่งซึ่งเงาเหงาหถูเครื่อเครื่ ม, ม, มจุดชืดชะเย็นเหนื่อยหน่ายทอ้อถอยแล้วก็บิจารณ์ก็ทาหน้าที่สงบวิจิกิจา คือความเครือครงสงสัยไม่แน่ใจแต่ัดสินใจตรงไปไม่ได้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายๆเรื่องแล้วก็ปิติความเอือปอิ่มใจนั้นซสงกพยาบาทคือกิเลสประเภทโทสะที่เกิดโกรธเกิดอาฆาตเกิดพยาบาทเกิดจองเวรมุ่งที่จะเบียดเบียนประทุษลายซึ่งกันและกัน แล้วก็สุขความสบายกายสบายใจนั้นก็สงบอุทจักกุกุจกักด้วยความฟุ้งซ่านความรําคาญสั่นสายทั้งหลายเอกคตาก็ทําหน้าที่สงบกรรมฉันคืนจิตที่เหนยวนึกตึกนึกโดดหน้าของความใคร่ในสิ่งที่จิตใคร่กิเลสเป็นเหียร์ในเหนียวนึกนั้นก็เป็นพวกกิเลสกามโดยสิ่งที่เหนียวนึกนั้นก็เป็นพวกวัตถุกรรม ซึ่งบางครั้งเนี่ยเป็นอารมณ์เก่าที่มีการปรุงแต่งหรือปรุงคิดคิดปรุงขึ้นมาจากข้างในเป็นการเก็บสะสมอารมณ์คล้ายๆกับสัตว์ที่เคี้ยวเอื้องหรือว่าลิงที่เอาอาหารจากกระพุ้งแก้มมาเคี้ยวกินต่ออารมณ์จิตมันเก็บอารมณ์มันสะสมอารมณ์ไว้เราไม่มีอารมณ์มาจากข้างนอกมันเอาอารมณ์ข้างในมาคิด วันจะมีเรื่องให้คิดได้ตลอดระยะเวลาเลยจิตจึงเป็นธรรมชาติที่คิดอารมณ์ธรรมชาติที่เก็บสะสมอารมณ์ธรรมชาติที่รู้อารมณ์ในชั้นต่างๆก็แล้วแต่ว่าคุณภาพของจิตจะมีได้ขนาดไหนที่นี้ส่วนของอุเบกขาสัมโพชงนั้นที่จริงก็เป็นองค์ฌาน เป็นองชาฌานที่พัฒนามาจนถึงนี่แหละจนถึง อ, องค์ฌานที่หนึ่งนั้นมีวิตกวิจารปีติสุกเอกาตตาฌานที่สองในวิตกวิจารสงบอย่างเดียวแตสุเอกาตตาปิติสุกเอกาตตาฌานที่สามเนี่ยปิติสงบอย่างเดียวแตสุกเอกาตตาพอถึงฌานที่สี่อย่างเดียเบค า, าเอกาตตาเบคาจึงเป็นธรรมที่ ปัญญแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นปัญญาสิกขานั่นเองประเด็นที่ควรสังเกตก็คือว่าพอมารวมแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นปัญญาสิกขากับจิตสิกขาคือเป็นสมาวายามะสมาสติสมาสมาชิสมาติสติสมาสังกปะแล้วก็ถามว่าสมาวจาสมากัมมันตะสมาชิว่าอยู่ที่ไหน ก็เป็นการปิบัติอีกขั้นหนึ่งหรือละไว้ในฐานที่เข้าใจใล้ายๆกับเราสร้างบ้านเนี่ยเป็นการพูดเมื่อหลังจากตอกเข็มมาแล้วเทียทานดินมาแล้วเป็นการพูดถึงส่วนข้างบนตจริงก็เป็นการรู้กันว่าข้างล่างนั้มันเสร็จแล้วคือศีลเนี่ยมันจะเกิดจากสมาธิก่อนก็ได้หรือจิตสงบมันก็เกิดเป็นสมาธิ อย่างตียกตัวอย่างว่าพระในสมัยพุทธกาลที่ทางฝั่งเทศแล้วท่า น, นลูกมากผลเป็นพระยมุคลจริงก็ไม่เคยพบพระไคสมาทานชีตแต่ว่าการสำรวงระวังฟังอยู่นั่นเองในขณะนั้นแนละยกายก็สงบพระจาก็สงบใจท่านก็สงบจดจ่ออยู่กับกระแสธรรมะที่พระพุ้มีพ ร, ระญาตทรงสแสดง ร่างกายก็ไม่ได้ไปเบียดเบียนชีวิตใครทรัพย์สินใครคุ้มครองใครวาจาก็ไม่ได้พูดเท็จตลอดถึงไม่พูดคําหยาบไม่พูดเบื่อเลวไหลใจเองก็ไม่เป็นโลคอยากได้ของบุคคลเพราะใจมันอยู่ในกระแสของกุศลคืออยู่ด้านของอริยมรรคเหมือนกราไปทางขวาแล้วก็ไม่ได้ไปทางซ้าย คือแยกจากทางซ้ายโดยธรรมชาติก็มันเองมันจิตใจที่ปราคิปฏิบัติเป็นแนวนี้ก็จะมีลักษณะยอย่างนั้เมื่อเป็นการเจริญกุศลกุศลท่มีชื่อต่างๆก็จะเกิดขึ้นโดยการหนุงช่วยกันไม่ใช่ว่าเราทำอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วยังนั้นเท่านั้นเกิดขึ้นอย่างอางื่นไม่ได้เกิดขึ้นที่จริงอย่างอื่นก็เกิดขึ้นยกตัวอย่างง่ายๆว่า เรารักพ่อแม่ของเราเนี่ยถ้าถามว่าเรารักใครๆกี่คนเนี่ยเรารักเยอะที่เกี่ยวกับพ่อแม่เราเนี่ยปู่ย่าตายายลุงป้าหน้าอาลูกพี่ลูกน้องหลานพี่หลานน้องของแม่ของพ่อเราก็รักไปหมดอ่ะนั้นแสดงไม่เห็นถึงว่ามันเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องกันเป็นปฏิกิรยาสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดก็ทยอยกันมาเป็นแถว ทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่ชอบคือมีใครมาตั้งตัวเป็นจตูกับพ่อแม่เราเนี่ยเราไม่ชอบคนนั้นแล้วก็ใครก็ตามที่ก่อนเนื่องกับคนนั้นก็ถูกเราไม่ชอบตามไปด้วยอันนี้ก็เหมือนกันสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดกตยอยกันไปคลื่นๆอย่างนี้เราจึงมองเห็นธรรมชาติของธรรมะว่าในแง่ของความเป็นจริงแล้วเป็นปริยายเทศนา ที่ทรงจำแนแสดงไว้โดยโวหารโดยนิยะโดยปริยายเป็นความหลากหลายเพราะใจมนุษย์มันมีความหลากหลายธรรมะจะ ต, ตึงต้องหลากหลายตามไปเพื่อสามารถปรับสภาพใจของมนุษย์ให้มีจุดยิบเหี่ยวทางใจเพราะเมื่อเรามองตรงนี้ก็คือกลายเป็นอริบัตรอแปประการ สมาวิจารสมากรรมตะสมาชิวะนั้นมีอยู่แล้วโดยอาการที่เป็นการปฏิบัติในชั้นของกิตตสิกขากับปัญญาสิกขาแล้วก็สติสัมโพชฌงก็เป็นสมาสติวิริยะสัมโพชฌงก็เป็นสมาวยามัติปัตสธิสมาชิไม่ใช่สีติปัตสติสมาธิอุเบคาก็เป็นสมาสมาชิ พวกนี้ก็เป็นจิตตสศิขาแล้วก็สัมมาธรรมวิจยะก็เป็นสมาธิสธัสมาธังกับปัแล้วก็ที่สำคัญอยิ่งก็คือเป็นไตรสิกขาสติสัมโพชฌงแล้วก็วิริยะสัมโพชฌงมีติปัตสธิส ม, มาธิอุเบขาเป็นจิตตสศิขา ธรรมวิจยะสำมพชงเป็นปัญญาศิกขาตอนลงว่าเป็นไรศิกขาปริยายที่กล่าวมาไว้ในตอนต้นๆน่จะมีการจำแนกแสดงออกไปแตกต่างกันแต่ว่ากล่าวโดยเนื้อหาสาระแล้วก็เป็นไรสิกขาเป็นอรมิมักเป็นแบบประการเราจะจับหลักให้ได้สักข้อหนึ่งจับง่ายๆก็คือจับที่สีนสมาธิปัญญา แต่ว่าปฏิบัติยากนะเอาระดับสี น, นัตอนนี้ได้เนะี่ยก็กลายเป็นเรื่องใหญ่แลบบเพียงแต่ว่าเป็นภารกิจเป็นหน้าที่ที่จะต้องศึกษาจะต้องประพฤติปฏิบัติส่วนจะได้สัมผัสผลลักซึ่งยังไงแค่ไหนนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ความพยายามเป็นหน้าที่ของผู้บริษัททั้งหลาย ส่วนผลที่เกิดขึ้นทางกายทางวาจาใจนั้นเป็นเรื่องของเหตุที่เราประกอบกระทำลงไปเป็นตัวสร้างขึ้นท้างฝั่ ง, งทั้งหลายใต้ร่มพระุทธญาณในวันนี้ขอยุติไว้โดยเวลาเป็นเทาน่านี้ที่สุดนี้ขอความจะเดิงนงอกงามไปบุญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี